ท่านเพื่อนสังคมิกาทั้งหลายและบรรดาญาโยามพุทธบริษัทสำหรับคืนนี้ที่กำลังบันทึกอยู่นี่เป็นคืนของวันที่เกตุลาคมสอง6ห้ายี่สิบหกำหรับวันนี้ที่พูดมาแล้วก็จบเรื่องราขาองพุทริการการ ที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสกับมิโครทปฏิภาชกแต่ว่าในตอนท้ายเรื่องพระองค์ทรงตรัสว่าถ้าบุคคลใดปฏิบัติเข้าถึงแก่นความดีที่พระองค์ทรงสั่งสอนองค์สมเด็จพระจินวรทรงยืนยันว่าถ้าปฏิบัติต่อไปตามขั้นของอริยสัจ ถ้ามีบา ร, รมีแก่กล้าจะได้บรรลุอรหันต์ภายในเจ็ดวันถ้ามีบา ร, รมีอย่างกลางจะได้บรรลุอรหันต์ภายในเจ็ดเดือนถ้ามีบา ร, รมีอย่างอ่อนก็จะได้บรรลุอรหันต์ภายในเจ็ดปีตอนนี้ระบรรดาท่านพิสุสัมมณีนนทั้งหลาย และบรรดาญาโยมพุทธบริษัท ต, ต้องหันเข้ามาสนใจกับอริยสัจคําว่าอริยสัจนี้หมายความแบบเป็นสัจจะอันหนึ่งที่ทําคนให้เป็นพระอริยเจ้าสัจจะหมายถึงความจริงคือบุคคลที่จะเป็นพระอริยเจ้าได้ต้องยอมรับความจริง ความจริงที่ยอมรับถอยไว้ได้ก็คือทุกข์การเกิดเราพบกับความทุกข์เป็นความจริงอันหนึ่งและก็สิ่งที่เราให้ทาให้เราเกิดเป็นทุกข์ก็เพราะอาศัยสมุทรไทยําว่าสมุทรไทยได้กระตันหาวันนี้ก็มาพูดถึงทุกข์กันเท่านั้นก็พอ ถ้าบุคคลใดเห็นทุกบุคคลบุรณะผู้นั้นเทวเห็นอริยสัจบุคคลใดเห็นอริยสัจบุคคลนั้นเชทวเห็นนิพพานสำหรับทุกได้ความเกิดเหตุที่ทำให้เราทุกได้ความเกิดอย่างเดียวถ้าเราไม่เกิดก็ไม่ไม่มีอะไรเป็นปัจจัยให้เกิดความทุกข์ ตั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราเกิดมาแล้วขอได้โปรดช่วยพิจารณาให้ดี <c oughs> ว่าเราต้องพบกับอะไรบ้างสิ่งที่เราจะพบจัดว่าเป็นนามธรรมาหรือว่ามันจะเป็นโูกประธรรมก็ช่างเถอะถ้าผ้นเถนพูดไปพูดมาก็จะเถียงกันนั่นก็คือความรัก เมื่อเราเกิดมาเราเร า, เราต้องพบกับความรักพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าความรักมีที่ไหนความทุกข์มีที่นั่นความรักมีที่ไหนความเศร้าโศกเสียใจมีที่นั่นความรักมีที่ไหนภัยอันตรายมีที่นั่นรวมความว่าสิ่งที่เราทําให้เราทุกข์ก็ได้ตัวเกิด เมื่อเกิดแล้วมันต้องมีความรักอันนี้ความรักทําให้ทุกข์ขอพูดทุกอย่างเดียวถ้าเรามีบิดามัรดาคนทุกคนต้องมีพ่อมีแม่ถ้าไม่มีพ่อไม่มีแม่ก็ไม่รู้จะเกิดมายัางไงอันนี้คนที่มีพ่อมีแม่เรามีพ่อมีแม่นะพ่อแม่ทันทุกพวกเราเราอาจจะไม่เห็น แต่ว่าเราก็ทุกจะเนื่องจากท่านเหมือนกันถ้าเราเป็นคนดีเรามีความกตัญญูรู้คุณพ่อแม่ก็ทุกน้อยหน่อยแต่ถึงยังไงก็ดีชีวิตของเราท่านก็ทุกเพื่อเราทั้งชีวิตแต่ว่าเราจะทุกเพื่อท่านก็อนหนึ่งเมื่อเราโตขึ้นมา <c oughs> มีสติปัญญาพยารามโน่นทำนี่ได้บ้างก <c oughs> ็สามารถจะช่วยวิดามันดาให้มีความสุขงานการทุกอย่างที่เราทำเพื่อท่านมันเป็นงานการเพื่อความทุกข์เพราะเราต้องทุกข์เข้าไปทำมีความเหนื่อยมีความยากบางครั้งก็ต้องฟันฟ่าอันตรายอดหลับอดนอน เพื่อได้มาเสื่องทรัพย์สินนี่รวมความว่าเรามีพ่อมีแม่เราก็ทุกข์เพราะพ่อเพราะแม่แต่คนที่ทุกข์เพราะพ่อเพราะแม่เนี่ยะเจ้าทรงตัดว่าเป็นคนดีมีความกตัญญูทุกคนเรื่องความกตัญญูยกไปเอาความเป็นทุกข์กันกันแล้วกันถ้าวิดามันดาท่านป่วย เราก็ต้องเพิ่มทุกหนักต้องหาหมอมารักษาหายาให้บริโภคเพื่อกำจัดโรคไปใข้เจ็บการหามาต้องจับจ่ายใช้สอยเรื่องเงินทองเองินทองกว่าจะได้มาก็แสนหญญนักมีความลำบากยากเข็นแต่ก็อย่าลืมนะเท่าที่พูดอย่างนี้ไม่ได้พูดให้เป็นคนอากาตัญญูไม่รู้คุณคน แต่ว่าจงทจ้าบริดามารดาท่านทุกข์เพื่อเราหนักกว่านี้มากท่านทุกข์เพื่อเราตั้งแต่เราอยู่ในคันเราอาจจะมองไม่เห็นแต่ว่าคนที่เคยมีลูกจะรู้สึกว่าเริ่มตั้งคันมันมีทุกข์ขนาดไหนพอลูกออกมายังเดินไม่ได้ช่วยตัวเองไม่ได้พูดไม่ได้ บิดามันดาต้องทุกข์ต่อใจใส่เป็นกรณีพิเศษเหนื่อยกายก็แล้วเหนื่อยใจก็แล้วเหนื่อยทรัพย์สินก็แล้วเพื่อความเป็นอยู่คนโลกูกยังไงยังไงก็คอยลูกมีชีวิตท่านทุกข์หนักแต่เรามาทุกข์แค่ท่านป่วยไข้มาสมบายจะไปนึกว่าทุกข์เกินไปนั่นไม่ถูก แล้วก็ทุกพอดีกับความดีของบิดามันด้ที่ทุกคนเรามันก็ไม่ถูกมันไม่ถึงยังไม่ได้เศษของท่านแต่ถึงยังไงเราก็ต้องทุกข์ทุกข์อยากจะแห้งสินหายจากโรคภัยไข้เจ็บแต่ถ้าบังเอิญท่านไม่หายท่านต้องตายเขานี้หนักมากเพราะอะไรรู้ว่าถ้าหากว่าท่านต้องตายไปนี้ คนที่เป็นที่ ป, ปรึกษาที่เป็นหังเสือสสำคัญคอยให้สติสมัมปชัญญะเราอยู่หมดไปกำลังใจจะมีแต่ความอ้างว้างมีความเปล่าเปลี่ยวอารมณ์จิตที่เป็นสุขจะเกือบจะหาไม่ได้เลยนี่กำลังที่เรามีบิดามันดานเราก็ทุกนี่ทุกขวิดามันดานนะ แต่อย่าลืมว่าวิดามันดาและพ่อแม่ท่านทุก์มากกว่าเราที่ทุกเพื่อท่านฉันั้นต่อมาถ้าเราเกิดมีคนรักถ้าเรายังไม่มีรักเราก็ยังไม่ทุกถ้ามีคนรักกันมาเริ่มทุกว่าคนรักจะรักเราหรือไม่รักเมื่อเขาบอกว่ารักแล้วเขาจะซื่อสัตย์ต่อความรักหรือไม่ อันนี้กำลังใจมันก็เป็นทุกข์แล้วถ้าหากว่าถ้ามีการมีความรักถ้าเกิดแต่งงานแต่งการกันขึ้นความสุขใจความพอใจมันก็เกิดขึ้นแต่มันก็เพิ่มทุกข์ภาระที่ต้องเอาใจด้วยกันทั้งสองฝ่ายฝ่ายสามีแต่ปัญญา เรารวมทั้งฝ่ายพวกพ้องของสามีและพันยาด้วยความหนักใจมันากเพิ่มขึ้นมามากนี่ความทุกข์มันจะตามมานี่ว่าในเรื่องความรักถ้าบาังเอิญคนรักป่วยเราก็ทุกข์เพราะคนรักคนรักต้องตายพัดพลาดจากไปเราก็ทุกข์เพราะคนรักนี่ความรักเป็นปัจจัยของความทุกข์ ใ น, นด้านเรื่ความโลภความอยากแย่ร่ํารวยคนเกิดเมื่อไหร่มาแล้ต้องอยากรวยด้วยกันทุกคนการอยากรวยเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ความจริงก็เป็นเป็นทุกข์แน่นอนเพราะการอยากรวยต้องเพิ่มแรงงานเพิ่มการงานทุกอย่างจะต้องหาไม่ได้ตามที่เราปรารถนา จะอดหลับอดนอนฟันฝานอะไร ย, ยังไงก็ตามพร้อมที่จะหามาการหาอย่างนั้นเพื่อแป่งกายเความทุกข์เมื่อได้ทรัพย์สินมาแล้วก็ยังไม่หมดทุกข์มันเปลี่ยนจากทุกข์หามาเป็นทุกข์เก็บทุกข์ต้องระวังรักษาเกรงว่าทรัพย์สินจะสลายตัวไป ถ้าทรัพย์สินทั้งหลายเหล่านั้นต้องสลายตัวไปความทุกข์หนักมัเกิดขึ้นรวมความว่าการเกิดขึ้นมาเราต้องการความร่ำรวยจิตมันต้องการจิตต้องการความร่ำรวยประเภทนี้ก็เป็นการต้องการ ค, ความทุกข์ต่อมาขอพูดสั้นๆจะได้เข้าใจใง่ายๆ ถ้าเรื่องความทุกหนีขบรนดาท่านพุทธบริษัททหลายโปรดทราบจะไม่พูดละเอียดแค่ชี้แนะสันส้นๆเท่านั้นเองื่อมีความเข้าใจบุกรักก็มีทุกโลภ ก, ก็มีทุก์อันนี้นเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วในกิเลสมันก็ตามมาอีกนอกจากกิเลสความรักกิเลสความโลภ ก, กิเลสความโกรธมันก็ติดตามมา เจ้ากิเลยความโกรธนี่จริงๆมันก็มาจากความรักถ้าเราไม่รักเราก็ไม่โกรธเรารักเราจรึงโกรธคนที่เรารักอย่างคู่ครองของเขาเราก็ดีเพื่อนของเราก็ดีบิดามัรดาญาติพี่น้องของเราก็ดีและร่างกายของเราก็ดีเรารักคนที่เรารักทุกคน ถ้าถูกลังแกคมเ ห, เหงฆเนียงร้ายมาไรเราก็โกรธบุคคลที่เขาทาอย่างนัน้นนี้เราก็ไปมองดูคนที่เราไม่รักถ้าความรักไม่มีมันจะไม่มีความทุกข์ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะคนที่เราไม่รักเขามีภัยอันตรายขนาดไหนเราก็มีความรู้สึกเฉย ถ้าเกิดล้มเกิดตายขึ้นมาเราก็มีความรู้สึกเฉยเฉยเขาจะอดอยากขนาดไหนก็ตามเราก็มีความรู้สึกเฉยเฉยเพราะนี่เราไม่ได้รักหากว่าคนของเราที่รักเมียนรายขึ้นมาเราก็โกรธไอโกรธเป็นปัจจัยขึ้นความทุกข์อยากจะฆ่ากันอยากจะมีบค่าเก่งค่าอยากจะเป็นศัตรู ก, ก, กันอารมณ์ความสุขไม่มีต้องคิดจะทําร้ายเขา เมื่อยังทำมันได้เขาไม่ได้กําลังใจก็เต็มด้วยความเดือดร้อนเป็นอาการของความทุกข์นี่รวมความมาตัวเกิดตัวเดียวที่ทําให้เราทุกข์ต่อมาความหลงความหลงว่าทรัพย์สินทั้งหลายเหล่านี้มันจะอยู่กับเราตลอดกาลตลอดสมัยบิดามันดาผู้มีพระคุณใหญ่ท่านจะต้องไม่ตายจากเรา พัญญาที่รักสามีที่รักบุตรทดาที่รักเพื่อนที่รักจะต้องอยู่กับเราตลอดการตลอดสมัยนี่เป็นอาการของความหลงคิดผิดแต่ทั้งสิ่งทั้งหลายเหล่านี้จะต้องเป็นไปตามกฎธรรมดาเขาจะทรงตัวอยู่ไม่ได้วาระความแก่เข้ามาถึงเขาจะต้องแก่ วระความป่วยไข่ไม่สบายเข้ามาถึงเขาก็ต้องป่วยไข่ไม่สบา ย, มามายเมื่อความตายเข้ามาถึงเขาก็จะต้องตายวาระที่จะ พ, พลัพรากจากกันตามกฎของกรรมมีขึ้นเขาก็ต้องไปเมื่อเขาไม่ไปเราก็ต้องไปอาการอย่างนี้เราไม่เคยคิดจะมันมีขึ้น ถ้ามันมีขึ้นมาอะไรเราก็เกิดเป็นทุกข์มา น, นั้นนี่ลงความทุกข์จากความหลงภายนอกและสิ่งที่มีสาคัญจริงๆก็คือหลงภายในภายในได้ไม่ลึกซึ้งะไรภายในก็เป็นภายนอกเป็นกรัรดนในตัวของเราความรู้สึกของคนมักจะมีความรู้สึกคล้ายกับความเป็นจริง ในเมื่อเราเกิดขึ้นมันแล้วสิ่งที่ตเราต้องรับเป็นมรดกตกทอดสืบกันนั่นคือความแก่ความป่วยความพัดพลาดจากของรักของชอบใจและความตายแต่ว่าคนส่วนใหญ่ไม่ได้คิดอย่างนั้นหลงซี่กรร่างกายของเราเป็นเด็กเราอยากเป็นคนหนุ่มคนสาว บางครั้งบางคราวแล้วก็หลงลวลง่าเราหนุ่มเราสาวจริงๆอันนี้เริ่มหลงตั้งแต่เด็กต่อมาถึงความเป็นหนุ่มเป็นสาวและจิตใจมักจะเหยียดหยามคนแกว่ว่ามีอากายงกุกเ ก, ก่อนๆไม่มีการคล่องตัวแต่ความจริงก็ไม่ได้คิดว่าเราจะต้องแก่เหมือนท่านเล่นหลงหนุ่มหลงสาว ให้ความเป็นหนุ่มเป็นสาวมันจะอยู่นานไม่ได้มันก็ค่อยๆเดินคลานเข้าไปห้ความเป็นคนแก่ท่นนี้ถ้าเกิดการแก่เขาจริงๆก็ยังหลงอีกหลงว่าตัวเองยังไม่แก่คิดว่ายัางหนุ่มยังสาวท่านนี้ถ้าความแก่มันปรากฏแต่คิดว่ามันไม่แก่การคล่องตัวไม่มีเท่าเดิม สติปัญญาความคิดไม่คล่องตัวเท่าเดิมแต่งกายแตงใจไม่คล่องตัวเท่าเดิมเมื่อต้องการกําลังเท่าเดิมขึ้นมาเมื่อทําไม่ไหวอาการเมื่อเกิดความทุกข์และต่อมาคนแก่บางคนก็รู้ตัวว่าแก่แต่ความจริงความรู้สึกของคนที่มีกิเลสแก่มากแสนมากแต่มีความรู้สึกแก่นิดเดียว บางท่านหมดความรู้สึกคิดว่าไม่แก่เสเลยเจอคนคราวลูกเขาห้านอยากจะได้มาเป็นคู่ครองไม่เยอะไปลืมตัวลืมความเป็นจริงอาการงองความทุกข์มันก็เกิดตอนนี้เมื่อหลงตัวอย่างนั้นอาการเกิดขึ้นกับร่างกายความแก่เข้ามาถึงความงกโก็เงืเ่อนปลากรดกทุกข์ ความป่วยไข้ามาสบายเกิดขึ้นมาในร่างกายของเราก็ทุกความหิวความหายเกิดขึ้นมาก็ทุกหนาวเกินไปร้อนเกินไปก็ทุกปวดอุจาระปัสสาวะก็ทุกต่อมาถ้าทราบข่าวว่าความตายจะเข้ามาถึงเพียงแต่ว่ามีใครสักคนหนึ่งพยากรสงเดช <c oughs> ว่าเธอเนี่ยจะเส้นชีวิตอายุขยจะหมดแล้วจะต้องตายชะตาขาดนี่เจอมากแสนมากวิ่งวุ่นกันกลัดชะตาจะขาดแล้วไม่ขายก็ไม่ซับแต่ทุนแล้วซับสินเริ่มขาดทางนี้ที่พออะไรพ่าทุกใจมันมันดานเขาบอกว่าชะตาขาดจะตายก็เลยไม่อยากตาย ไม่อยากให้าตาเป็นขาดต่อไปเขพยายามไปต่อชะตาไปหาหมอสนดอกเราบ้างไปหาหมอต่อชะตาบ้างไปหาหมอต่ออายุบ้างอันนี้ความจริงมันเป็นไปไม่ได้ถ้าวาระมันเข้ามาถึงจริงๆใครก็ตายอย่าลืมว่าพราะอรหรันต์ท่านเป็นยอดของบุคคลดี ตายสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจอมอรหันต์ก็ทรงนิพพานไม่มีใครจะทรงตัวทรงกายอยู่ได้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายได้ความหลงอย่างนี้มันก็มีแต่คนจนได้ความหลงมีมากเท่าไรความทุกข์มีมากเท่านั้นกลวมกล่าวว่าความทุกข์ไม่มก เ, มกมเกิดกับเราอย่าลืมนะ เรื่องความทุกข์เนี่ยบรรดาเพื่อนพิสูจน์สมัยนั้งหลายค่อยๆ ค, คิดจงอย่าคิดว่าเราจะเห็นความทุกข์จริงจังครบถ้วนภายในวันเดียวค่อยๆ ค, คิดบางทีและวจะน้อยเห็นคนเดินไปเดินมาถ้าพอจะถามก็ว่าเขาไปธุระอะไรคําว่าธุระของเขานั่นเป็นเรื่องของความทุกข์ทั้งหมด ที่เขาต้องเดินไปเพื่อใจเขาเป็นทุกข์เรียว่าสิ่งนั้นจะไม่สําเร็จส่งความปรารถนาความทุกข์มันมีมาตั้งแต่ก่อนเขาจะเดินมาคนที่เดินร่วมกันเริ่มกาลังเขาความรักต่างคนต่างก็มีทุกข์คิดให้ดีคนที่อยู่ร่วมกันจนกทั่งมีลูกมีเจ้าทุกคนก็เพิ่มความทุกข์อันนี้สังเกตง่าย มาดูตัวของเราตั้งแต่วันเกิดถึงวันนี้มันมีความสุขและความทุกข์วันไหนที่เราไม่หิวไม่กระหายไม่ต้องกินข้าวกินปลามีกำลังดีมีไหมก็จยตอบว่าหาได้ยากถ้ามันมีขึ้นมาจริงๆก็ดีแต่ความจริงมันไม่มีความหิวกะหายแปลงกายของความทุกข์มันมีกับเรา โรคไปใยไข้เจ็บมีกับร่างกายของเราการประกอบอาชีพต่างๆเพื่อทรงชีวิตอยู่มีในร่างกายของเราความแก่เป็นประจำวันคลายกับปหาความตายมีกับเราทุกวันความป่วยไข้ไม่สมบายมีกับเราทุกวันอาการที่เฉียดเฉียดความตายมีกับเราเสมอก็รวมความมองทุกให้เห็น มองทุกเหตุแล้วก็ต้องมองจิตใจใช่ปัญญาจุดหนึ่งใช่ปัญญานน้อยคย่อยคคิดอย่าหักโหมมากเกินไปจนเลยดีค่อยค่อยคิดว่าคนทุกคนในโลกนี่มีสภาพเป็นอย่างนี้สัตว์ทุกตัวในโลกก็มีสภาพเป็นอย่างนี้ คนชั้นดีเหนือคนธรรมดาทั้งหมดคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แก่ร่างกายคือขันห้าเราว่าองค์ก็มีสภาพอย่างนี้พวกบุคคลผู้ดีรองลงมาคือพระอราหันต์ทั้งหลายท่านทั้งหลายก็ต้องมีสภาพอย่างนี้เช่นเดียวกัน จิตใจของเราก็ยอมรับทับถือกฎของความจริงค่อยๆ ย, ยอมรับนะครับอย่าฝืนมันเร็วมันไม่มีความรู้สึกได้ง่ายนักหรอกแต่ถ้าเราคิดทุกวันทุกวันจิตใจจะเป็นสุขคิดไปคิดมาคิดว่านี่เป็นเรื่องธรรมดาของคนสัตว์ที่เกิดมาการเกิดของคนสัตว์ต้องอาศัยขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขาริญ ญ, ญาณ ถ้าพูดอย่างนี้ก็กลุ้มใจปเปล่าๆก็ต้องอาศัยร่างกายคือจิตหรืออาทิต์สมาณกายเขา้ามาเสียงในร่างกายเนื้อร่างกายเนื้อที่ประกอบปฏิทัศ์สี่เป็นเรือนร่างหรือเป็นหุน่นถ้าเป็นเป็นหุ่นสาหรับอาศัยชั่วคราวมันมีอาการสุดโทม จิตยอมรับกฎธรรมดามองคนทุกคนเขาเต็มไปด้วยความทุกข์มองสัตว์ทุกประเภทเห็นก็เต็มไปด้วยความทุกข์มองร่างกายของเรามันเต็มด้วยความทุกข์มันสุกขโสมมัน ม, มีทุกขเวทนาทุกวันมองไปมองมาใช้ปัญญาพิจารณาพิจิรค่อยคิดไปทุกวันวันหนึ่งแต่ละวันเราพบอะไรเราก็พบแต่ความทุกข์ ลืมตาขึ้นมาเราไม่พบความสุขจริงจังสมบัติยิ่งมากความทุกข์ยิ่งมากบริวารยิ่งมากความทุกข์ก็ยิ่งมากแล้วเราจะทำยังไงก็ยอมรับน้ำถือกฎธรรมดาคิดตามที่พระพุทธเจ้าแต่คิดค่อยค่อยคิยคดว่าความจริงการที่เราเกิดมาเป็นคนนี่เราโงส่สายโง่ การเกิดมาเป็นคนแทนที่จะพบกับความทุกข์ก็ความสุขมันก็พบกับความทุกข์ตลอดเวลาถ้าเราไปเกิดเป็นสัตว์มันจะทุกข์มากกว่านี้เพราะมีความรัถนาไม่สมหวังสัตว์มีความรู้สึกเท่าคนแต่ความบัตนาไม่สมหวังเท่าคนมันก็ทุกข์มากขึ้น เป็นอสูรกายเป็นเปร ت, แตแ้าเป็นสัตว์นรกจะหนักขึ้นไปกว่านี้ถ้าเราไปเป็นเทวดาหรือพรหมก็มีความสุขชั่วคราวไม่ช้าไม่นานก็ตรองโดดกลับมาทุกข์อีกฉะนั้นเราจะต้องหาทางความปลดทุกข์ด้วยการยอมรับรับถือทุกข์มันเสนเลย ยอมรับความจริงว่าทุกข์ที่มาจากร่างกายร่างกายมีมาได้เพราะอาศัยความเกิดเป็นเหตุดังนั้นเราก็ใช้ปัญญา ย, ยอมรับทับถือว่ามองร่างกายของใครก็ตามร่างกายทุกร่างกายจะต้องมีความแก่เข้ามาครอบงําทุกวินาทีอาการของความแก่เป็นยังไงกําลังกายสุด ผิวพันธุ์สุดผมเผ่าสุดฟันหักหมอหลอกอสุดเติบปัญญาโสมแล้วก็ชีวิตเดินก็ไปหาความตายความเืล่ยนปลงร่างของร่างกายจะไม่มีเมื่อความแก่เข้ามาถึงคิดไว้ว่านี่เป็นธรรมดาของมันแล้วก็สักวันหนึ่งก็น้าในเวลาไม่ช้านักมันก็ต้องตาย เป็นเรื่องของร่างกายนอกจากนั้นร่างกายมีขึ้นมาแล้วมันก็มีความป่วยไข่เป็นธรรมบันดา เ, เ, เป็นเรื่องของมันหากว่าเราไม่มีมันหรือมันไม่มีเราอาการทุกอย่างนี้จะไม่มีกับเราเมื่อบองเห็นทุกบรรดาท่านพุทธบริษัท์ต้องใช้ปัญญาพิจารณาหาความเป็นจริง มองไปมองมาจนทั้งใจเห็นว่าร่างกายเป็นทุกข์แต่ลงข้าใจไม่มีทุกข์ตัวนี้นะที่พระพุทธเจ้าต้องการที่ผมพูดทุกมาซะตั้งเยอะแยะในความจริงมันยังไม่ใกล้ไม่เฉียดไม่หมดเข้าไปหรอกมันได้เล็กน้อยแต่วนไปวนมาเพื่อความเข้าใจของบรรดาธรรมพุทธบริษัทจุดที่มีความสําคัญคือมองเห็นร่างกายเป็นทุกข์ ร่างกายของเราเป็นทุกข์ร่างกายของบุคคลอื่นก็เป็นทุกข์ร่างกายของใส่ก็เป็นทุกข์แต่ใจของเราไม่ทุกข์ใจของเราไม่ทุกข์เป็นไงเพราะใจมีปัญญาใช้สังขารุปเปฆายานคือวางเฉยในร่างกาย ยอมรับนักถือตามความเป็นจริงว่าร่างกายสภาพจริงเขามันเป็นอย่างนี้ที่เราต้องเข้ามาใส่ร่างกายที่ประกอบด้วยท่าทางสีและความโง่งเง่าเต่า ต, ตนของเราสมัยใช่ก่อนมีปัญญาแต่ไม่ได้ใช้ปัญญามีตามองแล้วไม่จํามีหูได้ยินเสียงแล้วไม่จําตามองเห็นเด็ก จากเด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวจากหนุ่มเป็นสาวเป็นคนใบกลางคนจากใยคนกลนเป็นคนแก่แล้วคนป่วยไข้ไม่สบายคนยากคนจนคนล่ำคนรวยมีฐานะไม่เสมอกันคนขัดคอกันคนทะเลาะกันคนมีทุกข์ผู้หลูกผู้เต่าเยอะเห็นแต่เราไม่จาเพราะที่เราไม่จาอย่างนี้เราจรึงมีความทุกข์ หูก็ได้ยินสภาพอย่างนี้เราไม่จำอีกจึงมีความทุกข์แต่ชาตินี้เราจะจำละเราจะจำละแล้วเราก็จะละเรียกว่าจาละจำไม่ว่าขึ้นชื่อร่างกายอย่างนี้สภาพมันเป็นทุกข์เราก็จะมีร่างกายอย่างนี้ชาติเดียวเป็นชาติสุดท้ายจิตวางเฉยใ น, นร่างกายอเอาแก่หรือเิญจ้า ในายใหญ่ใจแก่ก็เชิงแก่ป่วยหรือป่วยก็เชิญจาญาฉันทราบจากการเจ็บไข้มาสบา ย, ยรู้แต่ใจไม่เป็นทุกข์เราเป็นสุขถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของมันเท่านี้ละบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านถ้าท่านเห็นว่าร่างกายเป็นทุกข์ใจหมดทุกข์เมื่อไรถือว่าจบจิตในพระพุทธศาสนา อริบันดาแานพุทธบริษัทหลายโดยทุนน่าการที่จะก้าวว่าาความดีต่อไปขนาดต้องรู้จักทุกข์ถ้าบุคคลใดรู้จักทุกครบถ้วนบุคคลนั้นเป็นะ้าหลานแล้วก็จงอย่าพิยากร์ว่าผมเปีหลานล่ะนี่พุ่นผมพูดตามลีลาเของสมเด็จพระสมมาตถาพุทธเจ้าเท่านั้นถ้าถามว่าสมุทยล่ะก็ไม่ต้องพูดละ ผมข อ, อยืนยันว่าบุคคลใดเห็นทุกทั้งหมดบุคคลนั้นชีอว่าเป็นพระสารเห็นทุกแล้วก็มีสังขารุเปกคาญาณวางเฉียในทุกเท่านี้จบกิพุ ธ, ธาศาสนาวันนี้หมดเวลาขอพูดเพลนไปขาลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผ ล, ลจงมีแด่เพื่อนพิสุท ธ, ธิมเทนมบันดาญาโยมพุทธาศาสนิชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี